ขาสหลวงตาค่ะชื่จ๋านะคะคือเวลาฟังหลวงตาแล้วมันก็รู้สึกว่าเข้าใจเข้าใจแต่พอเวลาลงถึงการปฏิบัติจริงๆอะ่ะมันจะชอบสงสัยว่าเฮ้ยเราทําแค่เนี้ยพ อ, อยังพ อ, อยังคือก็เข้าใจอีกว่าสงสัยมันคงจะมีตัวเราจะไปเอาอะไรแน่เลยแต่ถ้าไม่ถามมันก็ค้างคาใจอย่างเงี้ยหลายรอบแล้ว อย่างทุกวันนี้ก็ปฏิบัติก็คือดูรู้เห็นความคิดอะไรไปเรื่อยๆอะไรละวางได้ก็พูดเลยไปจะขอตัดต่อตัวนี้นิดหนึ่งได้ค่ะพูดย้อนใหม่สิเมื่อกี้เนี่ยที่เราพูดถึงว่าอะไรนะอันไหนคะที่ต้องแต่แรกเลยเมื่อกี้เนี้ยเราจะขอตัดต่อเป็นตอนต่อจะอธิบายฟังเมื่อกี้ที่บอกว่าเออมันมันมันฟังลงตาเนี่ยเข้าใจเข้าใจเออเข้าใจแต่ว่าพอจะลงถึงการปฏิบัติ่ะแต่อะไรนะเมื่อกี้เราว่าแต่พอจะลงถึงการปฏิบัติก็จะรู้สึกว่าเอยเราทําแค่เนี้ยพอยัง ตรงนี้ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเฮ้ยเราอ่าเราเออเราเลยเออตัวนี้มันมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นมันเป็นเความออเออธรรมชาติที่ว่างเปล่าหรือธรรมชาติฝ่ายพุ่งแต่งก็พุ่งแต่ง่ะมันเป็นฝ่ายพุ่งแต่งก็มันจะพุ่งอะไรก็ชักมันดิเพราะเป็นธรรมชาติฝ่ายพุ่งแตง ไม่มีใครยึดมันแค่นั้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นอีกอันนึงโผล่มาคือใจว่างเปล่าคือเป็นทองแท้เป็นจิตเดิมแท้แท้ที่เป็นความว่าขึ้นมาเองเห็นมันว่ามันปุงขึ้นมาแต่ปรุงยังไงก็มก็เป็นสังขารนั่นแหละปุงยังไงก็เป็นสังขารเป็นธรรมชาติใส ป, ปุงแต่ทั้งนั้นเลยอ่าแล้วนีด <laughs> ต่ออ่าไต่อไม่ถูกเลย่ะอ้าวถูกแล้วนะต่อไม่ถูก <laughs> อะไรไม่ไม่ไม ว่าอะไรมันก็ปรุงแต่งหมดคือต่อยังไงก็เป็นปรุงแต่งหมดพูดยังไงก็ปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งหมดแล้วก็เราก็เห็นมันดิมันโผล่อะไรขึ้นมาก็นี่กับปรุงแต่งเอ็มว่านี่กัปรุงแต่งเลยไปไม่ถูกเลยแต่มันก็วางไม่ลงไงหลวงตามันก็ไม่ได้อ่ะแบบว่ามันก็ยังค้างคายังแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อบเดี๋ยวเขดักตรงนี้ก่อนแต่มันก็ยังวางไม่ลงเดี๋ยวเดียเดี๋ยเดียแสดงว่ามันมีใครเนี่ย เออมีเราวางมันยังเราวางแล้วถ้าเราวางลงแล้วเดี๋ยวเราจะมันมีเราเรายังวางไม่ลงถ้าเราวางลงเดี๋ยวเราจะไอ้นี่มันมันมันเอาสังขารไปยึดสังขารเอาปรุงแต่งเป็นตัวเราหมดเราไม่ได้วางสังขารถ้าวางสังขารหมดเมื่อไหร่มันจะปรุงขึ้นมาอย่างไรมันก็ปรุงมาเหอะแต่มันเป็นสังขารหมดไะไม่มีคําไปยึดสังขารก็แค่นั้นแน่ สังขารก็อยากสังขารไปดูว่ามันเป็นสังขารทั้งหมดอะไรแหะเอาเดี๋ยวพูดมาเดี๋ยวพูดมาเดี๋ยวพูดมาอ่ะพูดมาพูดมาก็เหมือนเข้าใจแต่มันก็ยังสงสัยอยู่ดีอ่ะเออมันก็มันเข้าใจแต่มันก็ยังสงสัยอยู่ดีไอ้ที่มันก็ยังสงสัยไอ้ตัวเราเนี่ยมันคือตัวเราก็ยังสงสัยอยู่ดีนี่คืออะไร คือสังขารคือสังขารเอาสังขารมันไม่ปล่อยมันสังขารไปอ่ะก็ปล่อยมันสังขารไปดีห้ามมันไม่ได้ไม่อยากสังขารก็สังขารไปก็ห้ามมันไม่ได้เกรดมันอยู่เงี้ยมันเป็นสังขารแต่ใจมันสังขารอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันอืมก็แค่นั้นเนี่ยเพราะใจมันสังขารอะไรไม่ได้แต่ที่นี่เน่ยคือจิตปรุงแต่งหมดแล้วก็ช่างที่มันเด็กชอสังขารนี่ก็ช่างมันให้เห็นว่าทุกอย่างมันโผล่มาในขณะ ปัจจุบันเป็นสังขารหมดเลยสังขารสังขารนะเพราะว่าใจมันสังขารไม่ได้ธรรมชาติของใจมันเป็นธรรมชาติแท้ ท, ทองแท้คือมันปรุงแต่งไม่ได้ถ้าปรุงแต่งมันทองปฟอหมดเพราะมันจะโผล่อะไรมาเป็นสังขารยังไงก็ ส, งงง ส, งกสังขารแั้วกันแล้วแต่ใจไม่สังขารจากสังขารอะไรก็สังขารไปดิทุกขณะปัจจุบันแต่เห็นอยู่รู้อยู่นะไม่จะไม่เห็นไม่รู้ถ้าไม่เห็นไม่รู้เนี่ยเออเลยก็เห็นอยู่รู้อยู่แต่อยากจะเห็นให้มัน อ่ามันอยากรู้เขาจะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพูดยังไงก็เข้าเนื้อหมดอด้ใช่มันเข้าเนื้อหมดเลยก็ข้าเนื้อหมดไดก็เรากลัวว่าเราจะอยู่บนทางที่อยากถ้าเอามันไอตัวเราผู้อยากได้มันเป็นอะไรสังขารน่ะหลงสังขารอยู่แน่แนะแล้วตัวที่จะปรุงแต่งได้ว่าเป็นตัวเราต้องอะไรมาปรุงก็ต้องสังขารมาปรุงอยู่แน่แน่เอ้าต่นั้นมันเอาสังขารมาปรุงได้ว่าเป็นตัวเราก็ปล่อยมันไปเพราะว่า มันปรุงเป็นตัวเราก็มันเอาตังขันมาเล่นเท่านั้นแหละแต่ใจที tight, ่ไม่สังขารเนี่ยปรุงเป็นตัวเราไม่ได้เอ็งจะเอ็งจะเอาสังขารแล้วปรุงเป็นตัวเราตัวเราตัวเราแต่มันไม่ใช่ตัวเราเราก็เห็นมันปรุงอยู่เฉยๆก็แค่นั้นแหละอ๋อพูดดิพูดดิพูดแล้วก็เข้าเนื้อหมดนะอะไรไม่กล้าพูดเลยแนนไม่กล้าพูดเลยเนี่ยก็ดีแล้ว่ไงอะผมไม่กล้าพูดเลยเสร็จปุ๊บ ก็จบเลยแล้วก็มันก็ปรุงไปนะนี่พอจบแล้วเสร็จปุ๊บใจก็ไม่ปรุงเพราะจบแล้วไงก็ม่รจะพูดอะไรจบแล้วจบที่ใจแล้วก็พอจบแล้วไอ้ข่าหน้าก็ปรุงแต่ไม่เกี่ยวกับใจแล้วไม่เกี่ยวกับใจแล้วนะใจเองปรุงก็ปรุงไปแต่ข่าจบแล้วข่าเปรียบเหมือนข่าคือใจไม่ใช่ว่าข่าคือตัวข่าคือไอ้อยากก็ปรุงปปเพอใจจบแล้ววางแล้วสงบแล้ววางแล้ววางแล้วสงบแล้ววางแล้ว แต่ในใจเรายังปรุงอยู่ว่าแหละขันห้างอย่างนี้แต่ไม่เกี่ยวกับใจต่อไป แ, แค่นั้นแ่ละวางก็แล้วมันก็สงบแล้ววางแล้วก็วางแล้ ว, วก็ว่างแล้วปุ๊บไอตัวจุกจิ๊กจิ๊กิ๊กจิ๊กจิ๊ตัวไหนมาคิดทังวันเลยมาคิดทางวันเพราะว่ า, าวขันห้างไม่ดับแต่ใจก็วางเปล่าทั้งวันคู่กันไปอยู่เองเนี่ย ก็แค่นั้นน่ะเพราะธรรมชาติมีแค่สงสิ่งไงมีแค่สองสิ่งคือส่วนที่ปรุงกับส่วนที่ไม่ปรุงส่วนที่ไม่ปรุงเรียกว่าใจ ส, ส่วนที่ปรุงเรียกว่าจิตที่ปรุงแต่งหรือความคิดปรุงแต่งมันมีแค่นี้ก็อยู่คู่กันแต่ใจไม่ปรุงแต่งอยู่อยู่ไปดีอยู่ในใจที่สงบและว่างเปล่าแต่ปรุงแต่งก็เห็นมันอยู่มันรู้มันอยู่แต่มันทำอะไรใจไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าเขาใจผิดพยายามมายึดรักษาความว่างไว้พราะยึดรักษาความว่างไว้เอออะไรตัวนี้โลกเออการโลกเออเพราะอะไร ความว่างก็มายึดแต่ก็รู้ว่าในความว่างมีความไม่ว่างคือมีความปรุงแล้วก็เห็นว่าไอ้ความปรุงเนี่ยมันปรุงอยู่ในความว่างและในความว่างก็มีความปรุงแต่งคือจิตที่ปรุงแต่งคิดนึ้งติ๊กตองจิกจกจิกแล้วก็หรือว่าไอ้ความปรุงแต่งคิดตั้งติ๊กตองู้จริงจิกจิกจิกอยู่ในใจที่ว่างเปล่าแต่ไม่มีใครมายึดรักษาใจที่ว <m worker> ่างเปล่าแต่ก <man> ็รู้อยู่แค่รู้อยู่แค่รู้อยู่อย่างนี้ว่าอในความว่างมีความคิดหรือว่าความคิดมันคิดอยู่ในความว่างก็รู้อยู่แค่เนี้ย พรรมชาติรู้อยู่แค่นี้ว่ามันคิดกับคิดอยู่ในความว่างหรือว่าความเกิดดับเกิดดับในความไม่เกิดดับความเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยคือธรรมชาติของปรุงแต่งมันย่อมเกิดดับมันเกิดดับในความไม่เกิดดับแต่ไม่มีใครยึดความเกิดดับนะและไม่มีใครมายึดความไม่เกิดดับไม่มีใครยึดทั้งอย่างนี้ไม่มีใครยึดมิแต่ความรู้ว่ามันเป็นอยู่อย่างเนี้ยก็อยู่คู่กันอย่างนี้ยมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละพอสิ้นยึด ธระมชาติสองสก er so sure. so yeah. ็มีอยู่เลยมันก็เลยกลายเป็นความสุขเหนือสุขเหนือทุกข์มันสุขก็มีอยู่ทุกข์ก็มีอยู่แต่เหนือสุขเหนือทุกข์กลายเป็นความว่างเหนือสุขเหนือทุกข์ความสุขความสุขก็ไม่อยู่ทุกข์ก็ไม่อยู่ความว่างก็ไม่อยู่แต่มันไม่มีใครยึดทั้งความสุขความทุกข์และไม่มีใครยึดทั้งว่างเลยเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือว่างเหนือว่างอีกนะเหนือว่างด้วยก็เหมือนจริงอะหนังสืออะพอเจอหน้าสุดท้ายหน้าว่าง ว่างเปล่าเลยมีแต่รููว่างโบ่เลยเนี่ยรู้ว่างโบ้ทุกท่าไม่มีใครยึดความว่างก็วางให้คนอื่นก็เอาไปให้คนอื่นก็ไปว่างต่อมันไปเห็นความว่างแล้วเขาก็วางอีกพออีกก็ว่างเขาไม่ยึดความว่างเขาวางต่อเขาเป็นนิพพานดังนั้นความว่างก็รู้อยู่ว่ามีความว่างในใจใจเป็นความว่างแล้วในในใจที่ว่างเปล่าผมก็กยิิบกยิบยแต่ไม่มีใครยึดตั้งแต่ยุกยิกยิพยายามจะทําให้มันไม่ยุกยิบแล้วก็ไม่มีใครไปยึดพยายามรักษาใจให้ว่างไว้ก็เหมือนกับว่าหนัังงสือท้หดเนี่ย มีหน้าที่มีตัวหนังสือเต็มเลยแต่พอหน้าจบมันจบได้หนังสือที่เป็นรูว่างเปล่าเนี่ยจบทักทีอะมันเลยกลายเป็นรูที่ว่างเปล่าแต่ตั้งแต่แรกมาเนี่ยมันมีตัวหนังสือหมดเลยนั่นคือยุกยิบยุกยๆบกแต่พบหน้าว่างเปล่ายังไงอะดูสิไอ้หน้าว่างเปล่าเนี่ยมันก็ปนอยู่ในนั้นตัวไอ้หน้าที่มีตัวหนังสือยุกยิกยิเต็มไปหมดเลยเนี่ยนั่นแหละก็เปรียบเหมือนได้ยุกยิบยุกยก็คือธรรมชาติปรุงแต่งไอ้หน้าว่างเปล่าคือใจไม่ปรุงแต่งแต่พอจบ และหน้าที่เป็นรู้ว่างเปล่าเนี่ยไม่มีใครแบกหนังสือไปด้วยลองแบกวันนี้เนี่ยหนักไหมเนี่ยแบกไปยังแบกหนังสือไปด้วยก็ยังหนักเขาก็วางลงก็ปเป็นนิพานนิพานปรามังนิพานนางปรามังสูญยังนิพานนางปรามังสุงขังนิพานคือสิ้นจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอีกแล้วนิพานนางปรามังสุงขังเลยเหนือสุขเหนือทุกไม่ยึดแม้แต่ว่างเหนือ <editorial: S 2> ว่างก็นไปอีกเหนือว่างเหนือสุขเหนือทุกเหนือก็ไม่มีตัวเราเหนือขึ้นไปเอ๋อคือมันมีแต่ความเหนือ เหนือส <elet> ุขเหนือทุกข์เหนือว่างสุขทุกข์ก็มีอยู่ว่างก็มีอยู่แต่ไม่มีใครยึดได้แต่แค่รู้แค่รู้แค่รู้ที่อาจานนักหลายบอกว่าอยู่กับรู้อยู่กับรู้ก็คือแค่รู้อย่างนี้เนี่ยรู้แค่รู้อยู่อย่างเงี้ยอยู่กับรู้อยู่กับรู้ถามว่าอยู่กับรู้อยู่กับรู้เนี่ยนะเข้าใจไหมจะกระซักอีกป่ะเออกระซักก็เข้าเนื้อเนี่ยเก็จะถามต่อทีนี้แต่ยี้ก็จะถามถึงไมและอ่ะใครถามก่อนพี่ถามก่อน ลงตาค่ะเวลาที่เวลาเราช่วงช่วงบ่ายๆอ่ะหนูเหมือนจะมีความรู้สึกเหมือนบูบลงไปซึ่งหนูรู้ว่าสติหนูตกลงไปมากแล้วอย่างนั้นน่ะแล้วหนูจะไปพักผักใสแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้มันให้มันดีแต่มันมันยิ่งทุกข์ก็รู้อยู่ว่ามันทุกข์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงอะค่ะ ก็บอกแล้วไงเออก็ถูกต้องนี่คนข้างๆเธอก็ตอบให้เน่ะสุก็เอาทุก็เอาเออนี่ไงคนข้างๆเธอก็ตอบให้นี่ไงสุก็เอาทุกก็เอาเอามาทั้งนั้นแหละต้องสุกและทุกเดี๋ยวหนีทุกไปหาสุกถ่ายกันติดยึดสุกก็เอาทุก็เอาเอามาทั้งนั้นแหละเราจะเป็นยังไง มายึดทั้งสุขมายุกทั้งทุกข์แล้วจะเป็นยังไงเออใจก็ว่างพอใจก็ว่างเสร็จแล้วแล้วไงอีกเออใจที่ว่างก็ไม่เอาใจที่ว่างอีกก็ปล่อยมันว่างไปงั้นแหละอยากว่าก็ว่างไปอยากว่างก็ว่างไปเออแต่ไม่ยึดว่าเราว่างอยากว่างก็ว่างไปสิแต่ไม่ยึดว่าเราว่างลองยึดเราว่างสิ เออทุกมากเลยเพราะว่ารักษาความว่างใช่ทุกจริงๆไม่เคยไม่เคยเป็นเข้าใจไหมล่ะเข้าใจค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวก่อนคำพูตรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วเราก็จะหยุดให้หยุดตรงนี้ละพูดตรงนี้แค่ไปอีกจะไปเอาอะไร มีผู้เอาก็เป็นสังขาร น, นั่นกันเนอืมใช่อืมแต่ไม่ใช่ว่าบังคับอะไปต้องหมีผู้เอาต้องมีผู้เอามันจะเป็นผู้เอาก็เห็นว่ามันสังขารเท่านั้นแต่มันจะจะปรุงได้ใจที่เป็นวิสังขารเนี่ะที่เป็นความปรุงอะไรได้มันปรุงอะไรไม่ได้หรอกมันจะปรุงเป็นจะเอาเราจะเอากูจะเอากูจะเอาเอ็งก็ปรุงมาดิเอ็งก็เป็นสังขาร น, นั่นกันเนี่ยเอ็งนแค่เนี้ยแต่ใจก็สงบแล้วบางเปล่าเพราะไอ้ตัวจะปรุงได้มันต้องเป็นเอาสังขารมาเล่น เอาสังขารมาเล่นจะอาอะไรต้มาปรุงอ่ะเพราะตั้งพระเจ้ามันมีแค่สองฝ่ายคือไอ้ฝ่ายหนึ่งสังขารที่ปรุงแต่งได้อีกฝ่ายหนึ่งมันปรุงแต่งไม่ได้เพราะฉะนั้นปรุงแต่งมันตัวเราจะเอานี่กูจะเอากูจะเอากูจะเอาจะเอาเราก็เห็นมันอย่างเงี้ยอยากกูก็ปรุงมาดิกูจะเอากูจะเอาก็ปรุงเล่นๆอย่างนี้ก็ได้แต่มันไม่มีตัวจริงๆนะคือมันมันก็ไม่แต่สังขารที่เล่นเอามาเล่นอ่ะแล้วก็ไปหลงไปตามมันทาไมครับ วางจริงเปล่านะ่ยขอให้วางจริงเหมือนวางไม่เนี่ยวางจริงเหมือนวางใหม่แค่เนี่ยวางเดี๋ยวนี้ยมันก็เป็นใจที่วางเปล่าเดี๋ยวนี้เลยเพราะถ้าไม่วางไม่ว่างถ้าไม่วางนะไม่พบใจที่ว่างพบใจที่ว่างแล้ววางอีกทีจะเป็นนิพพานถ้าไม่วางใจไม่ว่างไม่พบใจที่วางเปล่าพบใจที่วางเปล่าแล้วมายึดใจที่วางเปล่าไม่ใช่ว่าบอกว่า พอไปยึดแล้วเราพยายามผักสาใจที่ว่างเปล่านะคือไม่ยึดคืออยากว่างก็ว่างไปดิไม่ได้เกี่ยวกับเราเอาไมเอาไม้ต่อเอาไม้ต่อเอาไม้คืนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวพูดไปพูดมาเดี๋ยวเรเข้าเนื้อ อ, อ, กอีกแล้วกันหนูยังไปยึดความว่างต่อค่ะใช่ใช่อยากว่างก็ว่างไปป่างทั้งวันแหละว่างทั้งวันทั้งคืน แต่ไม่มีเราว่างมีแต่ความว่างไม่งั้นแบกความว่างไปตายเลยรักษาความว่างทุกมากเลยแต่ในนี้เนี่ยว่างจริงเลยว่างจากคนยึดน่ว่างจากผู้ยึดนิพพานังประมังสุอย่างว่างจริงๆว่างจากความยึดแม้แต่ความว่างนิพพานังประวังสุขขังเลยเป็นสุขที่แท้จริงเลยเรียกว่าเหนือสุขเหนือทุกข์คือไม่ยึดอะไรให้เป็นสุขไม่ยึดอะไรให้เป็นทุกข์แม้แต่สุขทุกข์ก็เอาสุขก็เอาทุกข์ก็เอาเอาหมด การพัฒนาสกังของตาค่ะขออนุญาตถามจากต่อจากพี่เขาอ่าที่อสาเหตุที่เราเห็นเฉยๆแล้วก็ยังคือยังเห็นเฉยๆไม่ได้เรายังเข้าไปยึดเข้าไปจับเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋เด๋วเดียยวผตัดตอนตรงนี้ด้อยเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยยเียวผิดนั่นนี่อผิดอะไรเรายังเห็นเฉยๆไม่ได้รู้ไหมว่าอะไรเนี่ย เรายังเห็นเฉยไม่ได้มันมีเราที่อยากจะเห็นเฉยแล้วไอ้ตัวนี้เป็นอะไรเราที่อยากเห็นเฉยนี่เป็นอะไรเออเป็นสังขารนะแต่ที่มันยังยังยังไม่สามารถเป็นกลางได้เป็นเพราะว่าจิตเดี๋ยวเราต้อตัดตรงอีกเราเราไม่สามารถเป็นกลางได้อันนี้อะไรมันเป็นก็เป็นสังขารเอาก็เป็นสังขารอีกอะสังขารเท่านั้นถึงปุงแต่งได้วิสังขารปรุงแต่งไม่ได้ ก็เห็มันมันปรุงอะไรก็สังขารนั่นกันแหละสังขารเพราะมันเอาสังขารเราปรุงเล่นน่ะแล้วไปยึดทำไมสังขารน่ะพอไม่ยึดสังขารน่ะจริงจะเป็นใจที่ว่างเปล่าจริงจะพบใจที่ว่างเปล่ามันจะปรุงอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสังขารนวดอแต่ถ้าเราจะมีตัวเราจะปรุงไปเอาอะไรเนี่ยมันเอาสังขารไปเอาน่ะเพราะใจที่ว่างเปล่าเนี่ยมันจะไปเอาอะไรไม่ได้มันเป็นความว่างนะเพราะนั้นไอ้ตัวเราเนี่ยที่ไปเอาอะไรได้มันต้องเอาตัวสังขารมาปรุงเป็นตัวเราแล้วจะเอาตัวเราไปเอาอะไร เนี่ยมันจะไปเอาอะไรได้มันต้องเอาสังขารเนี่ยเอาตัวปรุงแต่งเนี่ยมาปรุงเป็นตัวเราแล้วจะเอาตัวเราไปเอาอะไรเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราไม่รู้เท่าทันไม่เห็นว่าเนี่ยว่าเนี่ยเราเป็นเอาวิชาโง่แล้วไปไปยึดขันห้ามาเป็นตัวเราแล้วจะเอาตัวเราไปเอาอะไรเนี่ยเออก็เห็นว่ามันเป็นขันห้าเป็นตัวปรุงแต่งมันจะจะปรุงยังไงก็ตามเนี่ยมันจะไปตัวเราจะไปเอาอะไรก็จงเป็นสังขารเนี่ยสังขารทางนั้นแหะสังขารทางนั้นแต่ปุงเป็นตัวเราไปเอาอะไรก็สังขารบาเรศทางนั้นแหละไม่มีใครไปยึดพอไม่มีใครยึด ก็ใจว่างเปล่าอีก ก, อก็ว่างกว่างไปไม่มกันเยอะก็เลยเป็นนิพพานงั้นการปฏิบัติที่จะรู้เท่าทันแบบนั้นได้อ่ะค่ะจําเป็นต้องใช้สมถะเข้ามาช่วยไหมคะหลวงตาถึงจะสามารถเห็นได้ก็เนี่ยที่พูดเดี๋ยก็เห็นได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวในสมัยต้องต้องเรียกสมถะต้องเรียกวิปัสนาเพาเห็นได้เดี๋ยวเนี้ยไมเรียกว่าสมถะไม่เรียกวิปัสนาแตตอนเนี้ย <c oughs> มันเห็นไม่ได้ต่อเนื่องอ่ะทั้งยิ่งเวลาที่ออกไปเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยตัดตอตรงนี้ก่อน เราเห็นไม่ได้ต่อเนื่องมคนที่จะไม่เห็นได้ต่อเนื่องจะไปทําอย่างนั้นได้ต้องเป็นอะไรต้องเป็นอะไรทุกพยายามไปทําให้เห็นต่อเนื่องได้ต้องเป็นอะไรบอต้องเอาอะไรไปเล่นต้องเอาสังขารไปเล่นนี่ดีนี่ยังไม่ยังไม่เข้าใจเรแล้วนี่ไอตัวที่จะไปทําอะไรได้พุุงแต่งไม่ได้ได้แม้แต่พยายามไปเห็นได้ต่อเนื่องอันนี้ต้องอาศัยอะไรต้องเป็นอะไรเป็นสังขารนั้นนั้นแหละมันจะจะทําอะไรก็เห็นเป็นสังขารหมดอ่ะจะไม่ยึดมันสักอย่างเดียวมันก็เลยเป็นใจที่วางเปล่า คือเวลาออกออกไปต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอะ่ะมันจะไม่ค่อยรู้สึกตัวมันจะจะส่งออกซะส่วนใหญ่ค่ะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ ย, ดยก็แม้แต่ไม่ปฏิสัมพันธ์ต่อต่อคนอื่นนะ่ะเราคิดว่าเราหายยึดแล้วเหรอยังอือก็ได้ น, นะเ <laughs> พออื่อเพราะตอนไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก็ยังไม่หายยึดอีตอนเจอคนอื่นไม่ต้องห่วงอะไรนะนั้นจะไปกันใหญ่เลย เอาแต่พูดมาที่อยากจะเอาไงก็เอานอนสุดเเอาอะไรเป็นไม่กล้าเผาเลยตาเป็นสังขารหมดเลยเอาอะไรก็เป็นตัวขันหมดนี่ยิงทันแล้วไงไหนบอกเมื่อกี้ต้องไปต้องไปทำรับประทาต้องไปทำอะไรนิ่งๆเริ่มรู้แล้วว่ะคืนพูดอะไรเป็นขันหมดเลยเป็นยึดขันหมดเอาขันมาปรุงเป็นตัวเราจะไปเอาเอาตัวเราไปเอาอะไรไปยึดขันเแล้วว่าเป็นตัวเราแล้วจะเอาขันห้าไปเล่นอ้าวไหนไม่ต้องไปนั่งไม่ทันจะไปนั่งสมาธิอะไรเลยนี่เข้าใจแล้วเจะพูดอะไรโดนตาหมด ยึดหมดเลยคุณจะต้องตามรู้การทํางานของขันห้าอย่างเดียวใช่ไหมคนะคือคือสมมุติว่าตาเราไปเห็นรูปอะค่ะตาเราไปเห็นรูปก็คือนึกถึงวงจรปฏิจจ์วงจรปฏิจจ์ที่ว่าตาเราเห็นรูปเนี่ยลความรู้สึกเราเนี่ยคือเวทนาใช่ไหมมันก็จะจะทํางานละค่ น, นี้ความคิดปรุงแต่งก็จะปรุงแต่งไปแล้วแล้วก็จะเข้าไปยึดแล้วว่าตัวนี้อย่างงี้นี้นี้ ก็คือเหมือนชีวิตประจําวันถ้าสมมุติว่าเราไปเจอเจอลูกค้าที่แบบว่าเราไม่ชอบเนี่ยเราก็จะปรุงแต่งแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็จะทํางานไปเรื่อยแต่ขันนี้ถ้าเราไม่มีตัวรู้ที่ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอ่ะมันก็จะยึดปรุงแต่งอยากให้เราสงบแต่ถ้าลองเราตามรู้ไปเรื่อยๆว่านี่คือการปรุงแต่งของการทํางานของขนันห้าการทํางานของวงจรปฏิจจะซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมันเองอเงี้ยจะยังไง ก็คือคือส่วนมากที่ก็คือถ้าเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นวงจรมันก็จะหาตัวรู้ไม่เจอไงก็คือตัวรู้ที่ที่ถ้าเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเป็นธรรมชาติของมันซึ่งมันเป็นการทำงานของขันห้ามันเป็นการทำงานของตัวรู้มันเป็นการทำงานของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เหมือนทุกอย่างเนี้ยมันมีกองกองกิเลสมีกองสติมีกองขันห้า พอเราไปปัดสาปุ๊บทุกอย่างเริ่มทำงานแต่ถ้าสมมุติว่าสติเราไม่ทันเนี่ยกิเลสก็จะขึ้นมาก่อนแล้วก็จะปรุงแต่งไปตามขันแล้วแต่จิตที่มันจะเป็นไปตามวิบากกรรมเก่าเราออย่างนั้นไหมคะขอถามหน่อยเดี๋ยวค่ะ <c oughs> แล้วผู้ที่จะไปมีกิเลสได้มันเป็นธรรมชาติฝ่ฝายปรุงแต่งมันเป็นขันหน้าหรือว่าเป็นใจที่วางเปล่า ที่จะไปปรุงแต่งใช่ไหมให้เป็นกิเลสได้ให้เป็นกิเลสได้มันเป็นอะไรเป็นขันธ์หน้าที่เป็นธรรมชาติปรุงแต่งหรือว่าเป็นใจที่ว่างเปล่าที่ไม่ปรุงแต่งก็คือกลับมาปรุงแต่งเหมือนเดิมใช่ไหมถูกต้องแม้แต่แม้แต่แม้แต่มีสติบัญญัตไม่มีกิเลสถามว่ายังหลงไหมเนี่ยอืมเรามีสติบั่นคงเราไม่มีกิเลสเราไม่มีกิเลสที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีกิเลส มันเป็นขันห้าหรือว่ามันเป็นตัวใจที่ว่างใจที่ปรุงแต่งไม่ได้เป็นขันห้านี่ลงเล่นขันห้าลงยึดขันห้าเป็นตัวเราอยู่นั่นแน่ต่อให้ปรุงว่าเรามีสติบั่นคงไม่มีกิเลสเราไม่มีกิเลสถามว่าทุกไหมเนี่ยอทุกมากเลยนะก็ยังไปยึดการทํางานของขันห้าซ้อนไปอีกอย่างนี้ใช่ไหมคะออย่างนี้จะกลายเปนเหมือนที่บอกว่าไม่อยากพบผู้คนเลยเนี่ยเอาขันห้ามาปรุงอยู่เฉยๆให้มันอยู่บ้างๆไม่อยากไปเจอผู้คน ยิงถดถอยตัวเองหนีออกจากโลกไปเลยตัวนี้ ม, มีคนปฏิบัติแบบนี้ผิดแบบนี้เยอะมากเลยอืมไปปรุงแต่งที่ขันห้าแล้วเอาขันห้าถดทีถดถอยถดถอยถอดถอยหนีไปอยู่กับความว่างหนีไปอยู่กับความไม่พบผู้คนไม่พบอะไรกลายเป็นหลงผิดเออไปเลยแล้วเนี้แล้วก็เป็นประสาทเลยนะแล้วถ้าการจะพบตัวรู้อะค่ะก็ไม่ไม่ไม่้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดียดี๋ยวการจะพบ การจะพบตัวรู้ทำยังไงเราถึงจะพบตัวรู้เราจะพบตัวรู้คนที่จะไปพ บ, ปบได้ต้องไปอะไรปฏิบัติคะ <S <S เดี๋ยวคนที่จะไปพบตัวรู้ได้ทำไมเราถึงจะพบตัวรู้เราจะพบตัวรู้เปไ็นอะไรนก็คือสุดท้ายก็คือปรุงแตง่งทุกอย่าง <S <S เออนี่ไ<ม>อยากให้พูดอย่างเงี้ยปรุงขึ้นมาดิปรุงขึมาเป็นปรุงแต่งหมดอะปรุงอะไรก็้นมเป็นปรุงแต่งหมดลองพูดขึ้นมาดิพูดขึ้นมาปรุงแต่งหมดเลยเพราะอะไรความไม่ปรุงแต่งพูดไม่ได้ ความไม่ปรุงแต่งพูดไม่ได้พูดไม่ออกเพราความไม่ปรุงแต่งพูดไม่ได้พูดอะไรโดนเนื้อหมดเข้าเนื้อหมดเยพูดอะไรเข้าเนื้อหมดพอะไรมันจะไปเอาทั้งนั้น่ะจะไปเอาจะเอาไอ้ตัวขันห้าไปเอาหมดเลยเอาตัวปรุงแต่งไปเอาหมดพูดคือวโดนหมดเลยถ้าไม่ปรุงแต่งก็เดี๋ยวกลับไปอยู่เฉยๆกันนี่ฮะ้ออ๋อถ้าอย่าง้เดี๋ยวกลับไปอยู่กับความว่างหมดพูดคนที่จะกลับไปอยู่กับความว่างได้ต้องเป็นอะไร เท่กัย่งนั้เดวทุกคนหลงกลับไปอยู่กับความว่างหมดตัวเราจะกลับไปอยู่ความว่างหมดถ้าไม่ไม่คชัดไงจะมีตัวเรากลับไปอยู่ความว่างหมดแค่ตัวเราอีกอ่าค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันันะเดี๋ยเดี๋ยวเดวเดเดวเดี๋ยวเวดี๋ดี๋ดวดี๋ยวเียเยเยวเยดเดี๋ยวเดี๋ยอีอ๋ี อย่างนั้นเดี๋ยวหนูจะขอกลับไปค่อยเป็นค่อยไปหนูจะกลับแล้วไอ้ตัวที่ค่อยเป็นค่อยไปได้เดี๋ยวหนูจะกลับไปค่อยเป็นค่อยไปไอ้ตัวนี้เป็นอะไรสังขานี่ก็สามขานี่เป็นขันห้าอีกอะทําไม่วามันไปมันอยากจะจะพูดอย่างยเงยอากจะเป็นอย่างเงี้ยอยากจะคิดอย่างเงี้ยก็ช่างมัน่ช่างมันเป็นตังขานเป็นตังขานงนั้นแหละก็ปล่อยมันนีไม่เป็นไรตังขานพอสิ้นสิ้นยึดสังขามันจะเป็นอะไรก็สิ้นยึดปุ๊บมันก็เลยพบใจที่ว่างเปล่าเลยไม่มีวะเอาขันห่า พอมันไม่ไม่หลงเล่นสังขารเอาสังขารมาเป็นตัวเราแค่นั้นเนี่ยออีกหน้าหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาคือมันมีอยู่ว่าเลยธรรมชาติคือใจที่ว่างเปล่าเหมือนทองแท้มันมันมีอยู่แล้วไอ้ที่ตะหลงก็มันหายไปปุ๊บก็ทองแท้ก็โผล่เลยไม่มีใครไปสร้างท้องไม่มีใครไปสร้างทองคําให้มันให้มันว่างเปล่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแต่ไอ้ตัวเราเนี่ยยังเอาไอ้ตัวที่สังขารได้่มาเป็นตัวเราอยู่นในแนวไม่เลิกมันก็เลยไม่ไอไอไอเอาวิชามันไม่ดับมันก็เลยทองแท้เนี่ย มันก็ยังไม่เอาไอ้แรกธาตุที่ผสมปอนปนถูกทอนหลุงมเข้าไปครับมันก็ยังไม่เป็นทองแท้ใจว่างเปล่าบริสุทธิ์มันมี้งมันอยู่แล้วแต่มันมันเนี่ยเรายังไม่เลิกเอาไอ้ขันห้ามจะไปเป็นอะไรให้ได้จะเอาขันห้าไปเป็นอะไรให้ได้จะเอาขันห้าไปเป็นอะไรให้ได้เราจะเอาขันห้าไปเป็นอะไรให้ได้เนี่ยในเเนี่ยไม่ว่าจะพูดยังไงจะเอาขันห้าไปเป็นอะไรให้ได้ขันห้ามันไปเป็นอะไรไม่ได้มันก็ไปแก้ขันห้าเป็นตัวปรุงแต่งอ่ะขันห้ามจะไปเป็นนิพพานไม่ได้ขันห้ามจะไปเป็นนิพพานไม่ได้ เพราะอะไรล่ะเพราะอะไรขันหน้าที่เป็นนิพพานไม่ได้อืขันหนู้ดสิทำไมขันหน้าที่เป็นนิพพานไม่ได้นี่พยายามจะเอาขันหน้าไปเป็นนิพพานจะเอาขันหน้าไปให้ว่างไม่ใช่ไม่ใช่การเดินสู่นิพพานหรอกค่ะถ้าเราทิ้งขันหน้าเราก็คือมันต้องรู้ก่อนไหมคะนี่นี่นี่ต้องรู้ว่าการทํางานของขันหน้าแล้วเราก็ทิ้งขันหน้าเหมือนเหมือนหลวงตาบอกว่าก็คือเนี่ยเราก็ทิ้งพระกัมปีพระกัมปีคือขันหน้านี่ไหมก็จริงนะกับหลวงตากำลังบอกนี่ไงค่ะ ก็ที่ยพูดถึงข่าน้าทั้งหมดอหะแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นนี่ก็เป็นไปตามแต่มันใช่ของมันเอก็มันก็ปรุงได้อ่ะเพราะข่าน้ามันปรุงได้นะอ๋ออยู่ที่ว่าเราจะปรุงอย่างนั้นหรอะเอากระช่ดิเพราะข่าน้ามันปรุงได้ออ่ะืเก็จากข่าน้าแล้วไม่มีอะไรปรุงได้อมแต่เห็นว่ามันปรุงยังไงมันก็เป็นข่าน้าหมดแหะมีอะไรช่วยไหมหลวงตาให้ชั่งมันแค่หนชั่งมันชั่งมันชั่งมันชั่งมันเอเอ้ยเอ้ ก็ช่างรู้ก็ช่างแต่เข้าใจไหมว่าเราเข้าใจได้ใจเราไหมแล้วว่าผู้ที่หลงได้ต้องเป็นอะไรสังขารผู้ที่ไม่หลงได้รักษาตัวเองไม่หลงได้ต้องเป็นอะไรสังขารอะไรก็สังขารหมดเลยอะไรก็สังขารหมดแต่ใจไม่สังขารค็แค่นั้นนหละใช่เงมีความสงบและ ว, ว่างเปล่ามันไปอย่างเงี้เพราะอะไรก็สังขารหมดอยากจะสังขารแล้วก็สังขารไปที่ สังขารไังขารทางนั้นเน่ยแต่ใจไม่สังขารด้วยเพใจเป็นสังขารไม่เป็นเพราใจเป็สังขารไม่เป็นอยากสังขารอะไรก็สังขารไปดิสังขารน่ยนั่งสังขารไปทั้งวันเนี่ยแต่ใจมันสังขารไม่เป็น่ะใจมันก็สงบและว่างเปล่ามัาชิวเนี่ยเจ็บสังขารอะไรก็สังขารทางนั้นเนี่ยสังขารได้ทั้งวันเน่ยผมยังไม่ตายไงพอตายแล้วสังขารก็จดับหรือแต่ใจที่ว่างเปล่างั้นขอสอบทานอีกทีนะคะหลวงตาคือว่าถ้าอย่างนั้นหน้าที่ในการปฏิบัติของเราก็คือการเรียนรู้ที่จะเห็น ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นสังขารถูกต้องใช่ไหมคะเป็นหน้าที่การปฏิบัติก็มีเท่านี้สังขาร เ, เข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วสังขารเข้าใจแล้วค่ะหลวงตา <laughs>